เราถึงอุบายวิธีจะเหนี่ยวนำสติให้เกิดขึ้นในฝันซึ่งชาวตะวันตกค้นคว้าคิดวิจัยจริงจังกันมานานปีหลักการก็คือสร้างสั ญ, ญลักษณ์เพื่อตรวจสอบให้รู้ว่าตื่นหรือหลับจิตเราสามารถฉุกคิดหรือสงสัยขึ้นมาทั้งยามหลับและยามตื่นว่านี่เราฝันอยู่หรือเปล่าก็ใช้โอกาสตรงนี้เองเป็นสะพานเชื่อมสติ อุบายต่างๆที่สร้างกันขึ้นมาแล้วก็นิยมแปรหลายเช่นหนึ่งมองมือระหว่างตื่นเม่อยกมือขึ้นดูลายมือบ่อยๆถามตัวเองว่ากำลังฝันหรือเปล่าถ้าถามตัวเองบ่อยจนเคยชินก็ถามอีกแม้ในฝันก็จะสามารถทราบได้จากร่องรอยบางอย่างทันทีเช่นเส้นลายมือ จะไม่เหมือนที่เราเคยเห็นหรือว่าดูคล้ายแต่โย่ไปมาละเลือนไม่คงที่เหมือนเส้นลายมือที่ถูกมองยามตื่นก็จะรู้ตัวว่าขณะนั้นกําลังฝันข้อที่สองสืบหาเส้นทางระหว่างตื่นเมื่อเดินทางไปไหนให้ถามตัวเองบ่อยๆว่ามาอยู่ตรงตาแหน่งปัจจุบันได้อย่างไร พยายามลำดับเส้นทางมาถึงที่นั่นอย่างชัดเจนนับแต่ออกจากบ้านถากถามตัวเองบ่อยพอในยามตื่นก็จะเก็บไปถามตัวเองในฝันว่ามาถึงตรงนั้นได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถสืบย้อนก็จะรู้ตัวว่าขณะนั้นกําลังฝันข้อสามอุดจมูกระหว่างตื่นให้อุดจมูกตัวเอง แล้วก็พยายามสูตรลมหายใจเข้าจำความรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเอาไว้หากทำบ่อยมากพอจนไปอุดจมูกตัวเองในฝันพยายามสูตรลมหายใจเข้าจะพบว่าทำได้ก็จะรู้ตัวว่าขณะนั้นกาลังฝันที่กล่าวนั้นเป็นเตียงบางอุบายในการเหนี่ยวนาสติให้เกิดขณะฝัน แต่เมื่อมีสติรู้ตัวแล้วว่าฝันก็อาจจะเลือนไปในเวลาไม่นานหากประศจากแผนการรองรับล่วงหน้าว่ารู้ตัวแล้วจะทำอะไรต่อ วิทยาก็อาจจะเข้าไปศึกษาลักษณะฝันร้ายให้เข้าใจปมปัญหาของตัวเองและกำหนดทิศทางแก้ไขเป็นเรื่องๆแต่สำหรับผู้ภาวนาแล้วเราคงคุยกันเรื่องแก้ปัญหาแบบครอบจักรวาลคือให้หลุดออกมาจากอุปทานหลุดออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นแบบผิดๆเพื่อให้จิตเป็นอิสระอย่างแท้จริง ขอให้ตั้งใจไว้แน่วแน่ประการเดียวว่าเมื่อเกิดสติรู้ตัวว่ากำลังฝันสิ่งที่ทำคือปฏิบัติภาวนาเดินจมปลมหรือนั่งสมาธิตามปกติเหมือนเคยทำมาแล้วขณะตื่นอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าเมื่อรู้ตัวว่ากำลังฝันในเบื้องแรกเรายังติดอยู่กับฉากฝันปัจจุบันซึ่งอาจดีหรือร้ายอุบายหนึ่งที่จะปลีกตัวออกมาจากฉากก็คือคิดว่า จะหนี้แรงดึงดูดของพื้นที่อาศัยยืนเสียพูดง่ายๆคือให้ฟุ้งขอภัยค่ะให้พุ่มตัวขึ้นฟ้านั่นเองในฝันที่ทรงสติรู้เกิดอะไรขึ้นขอให้ตีความเป็นสภาพของจิตให้หมดเช่นนิมิตฝันในขณะของการเกิดสติถ้าเหตุการณ์ราบเรียบธรรมดาก็ให้มองเป็นการแสดงอัตุ ข, ขมสุขเวทนา ถ้าเหตุการณ์กำลังยุ่งเหยิงก็ให้มองเป็นภาวะฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นถ้าฟุ้งขึ้นฟ้าได้ก็คือหลุดออกมาจากแรงดึงดูดของความฟุ้งซ่านหรือหลุดจากแรงดึงดูดของความยึดมั่นถือมั่นในปัญหาที่เกิดขึ้นหากฟุ้งขึ้นฟ้าได้เร็วก็แสดงว่าจิตมีกำลังหากเห็นท้องฟ้าว่าโล่งก็แสดงว่าจิตกำลังแทนสภาพเปิดสบาย หากเข็นท้องฟ้าสวยงามก็แสดงว่าจิตกำลังเบิกบานสุดใสาหากเข็นท้องฟ้าสว่างเรองรองอบอุ่นก็แปลว่ารัศมีจิตกำลังทอแสงบันเจิการใช้ท้องฟ้าเป็นเครื่องล่อชิ้นแรกจะได้อะไรหลายอย่างหากเปรียบเทียบกับจิตสำนึกยางตื่นก็คือการเปลี่ยนเรื่องคิดนั่นเองและเป็นการเปลี่ยนตัววิธีการปรับสภาพจิตโดยตรงหากหมกมุ่นคับแคบ เป็นเปิดใจกว้างขวางแม้จะรู้ว่าฝันแรกๆก็อาจจะยังติดผัสสะความเป็นจริงคือรู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะพุ่งฟ้าพุ่งขึ้นฟ้าต่อเมื่อบอกตนเองว่าฝันของเราคือสภาพจิตของเราทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสิ้นพอทดลองพุ่งทยานขึ้นจากพื้นก็จะพบว่าของแค่นี้ง่ายมาก หากทำได้ขอให้พุ่งตรงไปยังสถานที่สงบวิเวกและเต็มไปด้วยความร่มรื่นด้วยความตั้งใจว่าจะใช้เป็นที่จมกรมเมื่อลมพื้นขอให้เดินอย่างที่เคยปฏิบัติในการเดินจมกรมเวลาตื่นทำมาอย่างไรขอให้ทำไปอย่างนั้นสิ่งที่ปรากฏสะท้อนอย่างดีว่าเราเดินจมกรมมาได้ผลมากน้อยเพียงใดขอยยกตัวอย่างพอสังเกตดังนี้ หนึ่หากทางเดินยังดูรกๆเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางระเกะระ ก, กะสะท้อนเห็นถึงความมีนิวรตกค้างอยู่ในจิตขณะเดินจงกรมเป็นประจำเจ็งเต็มไปด้วยอุปสรรคขัดขวางทางภาวนาวิธีแก้ายามตื่นคือให้เร่งรู้ตัวว่ายังมีนิวรตกค้างอยู่มากจึงควรละวางใชบ้างโดยจากรายละเอียดทั้งทางมาและทางแก้ไขบทนี้ สำหรับขจัดสิ่งรกในความฝันนั้นไม่จำเป็นต้องขนสิ่งเหล่านั้นออกจัดใจเพราะจะยากและขนได้เท่าไรก็ไม่รู้สึกว่าไม่หมดเช็ตทีเพียงเปลี่ยนมุมมองเสใหม่คือเงยหน้าขึ้นฟ้าด้วยความมุ่งหมายว่าจะเลือกดูเฉพาะความโปร่งโล่งของเบื้องบนนับเป็นอุบายอย่างลัทติจะ หลุดจากภาวะฟุ้งได้อย่างหนึ่งข้อสองหากรู้สึกเหมือนร่างกายไม่สมประกอบ ส่วนใดส่วนหนึ่งไปสะท้อนให้เห็นถึงความขาดสติรู้ตัวแวบออกไปโน้นมานี่เป็นประจำจึงขาดความรู้การตามจริงเหมือนตรงโน้นตรงนี้แหว่งหายวิธีแก้ก็คือตื่นขึ้นมาขอให้สังเกตว่าในเวลาปะกะติเราปล่อยจิตปล่อยใจให้หลมไปตามความเมื่ลอยฟุ้งซ่านซักสายนั้นทาให้เกิดความรู้สึกเหมือนมีร่างไม่สมประกอบแบบเดียวกันกับในฝันจริงๆ จากนั้นให้เดินจงกรมด้วยความคิดที่จะหลับหรือว่าตื่นก็จิตนี้เหมือนกันดังนั้นตั้งใจเก็บตัวอย่างขณะตื่นไว้ระลึกขณะฝันตั้งใจรู้เฉพาะเท้ากระทบอย่างคงเส้นคงวาอาจตบเท้าหนักกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เกิดความสะเทือนขึ้นมาถึงอกชัดๆหากทำได้อย่างต่อเนื่องจะเห็นความรู้ทั่วกายชาัดออกมาจากความตั้งมั่นนั้น ให้จำลักษณะที่รู้หลักปักมั่นคงไว้และบอกตัวเองว่าถ้าอยู่ในฝันเราจะเดินด้วยสำนึกรู้เช่นเดียวกันนี้ 3. าหากรู้สึกลอยๆเหมือนเดินเหนือพื้นหรือเดินกลับหัวนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเดินจงกรมจิตเราไม่ได้จับอยู่กับสัมผัสที่เท้าเลยวิธีแก้ก็คือตื่นขึ้นมาให้สังเกตว่าเราไม่ได้จับ สัมผัสกระทบระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นอย่างแท้จริงจใจมัวลอยไปคิดฟุ้งซ่านเสียเปลี่ยนเชื้ใหม่โดยทําความรู้สึกตัวดีๆว่ากําลังทรงตัวตั้งบนแรงดึงดูดโลกรู้เพียงเท้ากระทบด้วยความรู้สึกนิ่มนวลไม่เกรงบอกตัวเองว่าถ้าอยู่ในฝันเราจะเดินด้วยสํานึกรู้เช่นเดียวกันนี้สรุปหลักการคือถ้าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในฝัน ก็สร้างตัวอย่างเอาด้วยของจริงขณะตื่นกําหนดไว้ว่าจริงเป็นอย่างไรในฝันอย่างนั้นในฝันอย่างไรของจริงก็อย่างนั้นการกําหนดสติเดินจงกรมในฝันจะเอื้อให้สํารวจตัวเองได้ดีที่สุดแต่หากลองแล้วยังไม่ได้ผลชัดจิตยังหมกมุ่นอยู่กับนิวรณ์ซึ่งมาในรูปของนิมิตเครื่องขวางเป็นประจำขอให้ลองอีกวิธีที่อาจจะง่ายกว่ากัน คือระหว่างขณะตื่นอยู่ให้เงยหน้ามองฟ้าบ่อยๆแล้วจาสิ่งที่ติดตาเช่นความกว้างระยะห่างสุดตาสีฟ้าและโดยเฉพาะยันยิ่งความโล่งโปรงใจของตนเองพร้อมทั้งตามรู้ลมหายใจทั้งออกและเข้าไปด้วยเป็นการสร้างตัวเลี้ยงสติให้เข้ามาในขอบเขตกายใจกําหนดไว้ว่ายามตื่นเห็นและรู้สึกอย่างไร ยามฝันจะเห็นและรู้สึกอย่างนั้นเป็นการตั้งโปรแกรมตัวเองไว้ล่วงหน้าให้มั่นเหมาะเมื่อเกิดสติระลึกได้ว่ากำลังฝันจะร้ายหรือดีชวนฟุ้งเพียงใดให้เงยหน้ามองฟ้าเบื้องบนด้วยความคาดหมายว่าจะเห็นฟ้าใสอย่างที่เคยจำไว้แล้วขณะตื่นมองจนสุดตาด้วยความรู้สึกกว้างขวางเบาสบาย หากทำถูกจะรู้สึกชื่นใจโปร่งโล่งและอยากยิ้มเพราะใจเราเปิดกว้างเหมือนท้องฟ้าที่เห็นขอให้ใช้โอกาสนั้นระลึกถึงลมหายใจคิดในใจว่าเราหายใจยาวด้วยจิตที่ร่าเริงเบิกบานอยู่กับที่สนิทนิ่งบนพื้นดินอันมั่นคงจะเปิดปิติกว้างขวางสดชื่นยิ่งยิ่งขึ้นประคองไว้ได้นานเป็นพิเศษ ผลลั์ที่ควรเห็นชัดจากการฝึกสติรู้ทันฝันคือความพุ่งสร้นที่ลดลงและการไฝ่ใจมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความเห็นค่าว่าทุกสัมผัสในขณะแห่งการมีชีวิตมนุษย์นั้นเอามาใช้เป็นพยานพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ทั้งสิน้นไม่ปล่อยสักวินาทีหนึง่งหรือสักเหตุการณ์ให้หลุดลอยไปโดยไม่ยกมาเป็นเครื่องกระตุน้นให้จิตระลึก เข้ามาในขอบเขตของกายเวทนาจิตธรรมขอให้สังเกตผลข้างเคียงประการด้วยบางประการด้วยเช่นตื่นขึ้นมาแล้วเหนื่อย ขอให้ดูว่าขณะสติฝันนั้นเราพยายามเร่งรัดหรือบังคับให้เกิดภาวะที่ต้องการปุ๊บปับ๊บทันใจหรือไม่สิ่งที่ควรเน้นระยะเริ่มต้นก็คือการซ้อมกับของจริงขณะตื่นให้จำได้เส็ยก่อนว่าเข้าทางภาวนาแบบสบายๆมีลักษณะอย่างไรเราก็ไปทำให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในฝันนั้น เมื่อมีสติรู้ตัวและสามารถทำสมาธิเดินจงกรมในฝันได้จะเห็นว่าดีกว่าปล่อยเวลาหนึ่งในสีของชีวิตให้สูญเปล่าไปเมื่อทำได้เป็นปกติก็ควรพัฒนาขึ้นอีกคือพิจารณาธรรมในฝันเพื่อเป็นมูลฐานการปล่อยวางสิ่งที่เห็นชัดว่าล้วนแต่เป็นอุปทานทั้งเพฝึกให้จิตตอนจากความยึดมั่นถือมั่นสักนิดหน่อย เริ่มต้นขอให้มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงว่าใดๆล้วนอนิจจังเช่นแง้มมองฟ้ากว้างสว่างสวยสักพักจะเห็นมนลมเองหรือเห็นความเบิกบานสดใสในใจเราสักพักหนึ่งก็จะถอยกลับสู่ภาวะปกติโดยสรุปคือไม่ว่าจะเห็นภายนอกหรือภายในให้กำหนดรู้ด้วยสติตามจริงว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนเสมอจิตจะถอนจากความยึดมั่นว่านั่นเรา นั่นเป็นฝันของเราเมื่อตื่นขึ้นพิจารณาเวทนาพิจารณาสภาวะจิตก็จะเห็นความเหมือนกันไม่ต่างจากฝันเลยเป็นเหตุให้ถอนความยึดมั่นในเวทนาและภาวะจิตได้ตามจริงเช่นกันขอให้กำนึงว่าเราใช้สติในฝันเป็นตัวจูงให้จิตนิ่งตั้งมั่นและอยากมั่นภาวนาออกมาจากส่วนลึกที่สุดของจิตใจ เมื่อได้ผลในยามตื่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรักษาโรคฟุ้งด้วยฝันอีกเวลาหลับก็กำหนดพักผ่อนให้สบายหลับให้สนิทด้วยอาการก้าวลงนิตราด้วยสัมปชัญญะเช่นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนหากจิตอยู่ในสมาดุลก็จะเป็นสุขอยู่กับผวังหลับนั้นหรือถ้าก่อนนอนแผ่เมตตาอย่างถูกต้องก็จะอิ่มสุขอยู่ในกระแสเมตตาจนกว่าจะตื่น ขอเชิญติดตามรับฟังแนวทางแก้ผลข้างเคียงจากการภาวนาโดยผู้ใช้นําปากกาว่าดังตเรนะนค่ะเมื่อจิตรวมลงตั้งมั่นเป็นหนึ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือปรากฏการณ์ต่างๆที่เราไม่อาจคาดหมายบางคนปฏิบัติมาตรงทาง ก็ไม่เกิดอะไรพิสดารขึ้นเลยไม่แม้แต่จะเห็นนิมิตลอดใจแต่บางคนปฏิบัติมาตรงทางเหมือนกันเพาว่าขยันเห็นน่นเห็นนี่หรือเกิดปรากฏการแปลกประหลาดอันนี้ก็อยว่ากันเพราะเป็นทางเฉพาะตัวของแต่ละคนทำนองเดียวกันกันกบที่ฝันห้ามกันไม่ได้บางคนฝันมากบางคนฝันน้อย โครงสร้างจิตใจแต่ละคนต่างกันอย่าด่วน ป, ปรับปรามตัวเองหรือคนอื่นเมื่อพบประสบเหตุการณ์ที่แสดงว่าทำผิดพลาดขอให้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับอาการไม่คาดฝันหรือว่าอาการไม่คาดหมายไว้ดีกว่าที่รวบรวมไว้ต่อไปนี้ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเสมอไปแต่ละคนอาจพบปัญหาเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อหรืออาจพบปัญหาที่ผิดแป่แตกต่างไปจากนี้อีก ก็อย่าได้ร้อนใจขอให้เชื่อมั่นว่าเราทำสติปัฏฐานสี่ถูกทางจริงรู้เห็นอยู่ในขอบเขตของกายใจโดยความเป็นไตรลักษณ์ไม่มีความมุ่งหวังอื่นใดไม่มีความเคร่งเครียดไม่มีความคาดหมายให้สำเร็จผลประการใดประการหนึ่งแบบด่วนได้ก็จะไม่พบอันตรายใดๆเลยเพราะกรรมฐานที่ถูกต้องนั้นยิ่งทางก็ยิ่งผ่อนคลายสบายใจเนื้อตัวเบาโล่งไร้วางทั้ง ของที่เป็นภายในภายนอกได้เหมือนเกราะเหล็กที่ถูกถอดออกมาจากตัวทีละชิ้นทีละอันสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าจิตปรุงแต่งง่ายก็ขอแนะนำให้อ่านเฉพาะข้อปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่จำเป็นต้องอ่านข้อปัญหาอื่นๆเพราะอาจจะทำให้คิดมากจิตจดจอ่อกับปัญหาแบบหนึ่งๆแล้วเรียน อาการขึ้นมาหลักครอบจักรวาลอันสามารถแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนให้มีไว้ในใจสามอย่างก็คือศัก์แต่รู้อย่ากลัวอย่าสงสัยแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเองขอให้เชื่อมั่นว่าอาการปรากฏทั้งหลายที่เป็นผลมาจากกำลังของจิตฉะนั้นถ้าจิตอยู่ในภาวะเป็นกลางที่สุด ก็จะมีการใช้กำลังเพื่อรักษาโดยภาพระหว่างกายใจให้เป็นปกติไม่ใช่ให้ยิ่งปั่นป่วนตเตลิดไกลหนักเข้าไปใหญ่ความเครียดความเครียดเกิดจากการเพ่งภาวนาแรงเกินไปก็จะเหมือนกับความเครียดชนิดอื่นๆในชีวิตประจำวันหลายประการเช่นมีความตึงตามเนื้อตัวบางส่วนมีความเค้นในใจจนรู้สึกแน่นเป็นก้อน แต่ความเครียดที่เกิดจากการเพ่งภาวนาแรงเกินพอดีนั้นบางทีอาจจะเป็นผลเสียยิ่งกว่าความเครียดอันเกิดจากปัญหาในชีวิตประจำวันได้มากเพราะเมื่อสติเมื่อติดนิสัยเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มักจะ ก, กระหน่ำซ้ำที่เดิมไปเรื่อยเนื่องจากรูปแบบการภาวนามักวนเวียนกับที่เก่าอารมณ์แบบเดิมผลที่ออกมาจึงปรากฏทั้งทางกาย และทางจิตมีนักภาวนาจำนวนไม่น้อยเลิกปฏิบัติไปก็เพราะกลัวอาการจะลุกลามเกินแก้ความเครียดที่เกิดจากการเพ่งผิดส่วนนั้นบางทีก็ออกมาเดินเล่นชมนกชมไม้เสียนหน่อยก็หายได้แต่บางคนอาการหนักหน่อยคือเกิดความเครียดข้างคามีอาการปวดเสียวหรือหนักกว่านั้นคล้ายชักกระตุกแบบอ่อ น, ออน ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดจิตไว้ผิดพลาดนานไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกพ้นกิเลสไม่ดำเนินตามมาตรฐานสักแต่รู้ความเกิดดับในกายใจแบบสติปัฏฐานสี่หรือบางทีเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ทุกอย่างดีหมดแล้วแต่เกิดความโลภด่วนได้อยากเอามรคผลเร็วปฏิบัติมาพักหนึ่งเกิดผลนิดหน่อยแล้ว ลืมจุดมุ่งหมายลืมหลักการเดิมแทนที่จะกำหนดสเ ต, ติกรู้อย่างเป็นธรรมชาติกับขมักขเม่นเพ่งเอาเพ่งเอาแบบจะทำความสว่างโพรงให้เกิดภายในวันนี้พรุ่งนี้บางทีวันหนึ่งปฏิบัติได้ผลจิตนิ่งเงียบประนีตยิ่งแต่อีกวันจิตตกไม่สามารถสำเร็จอย่างที่เคยฝืนดันทุรังบีบคั้นบังคับเอาผลแบบเดิมประเภทนี้ มีโอกาสสูงที่จะเพ่งแรงเสียจนหนักไปทั้งตัวเพราะนักภาวนาที่ยังรู้จักโทษของความโลภน้อยนั้นพอรู้ตัวว่าสภาวะจิตที่ต้องการหายไปก็จะเกิดความกังวลทุรนทุรายและยิ่งเป็นปัจจัยหาทางกลับไม่เจอบางทีอุบายที่ได้ผลสำหรับคนหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นอุบายที่ส่งผลเสียสาหรับอีกคนหนึ่ง เช่นบางคนจับความรู้สึกออกมาทางกลางอกได้แต่อีกคนหนึ่งพอลองจับมาบ้างก็กลายเป็นกดเพ่งเข้ามาในอกจุกแล้วจุกอีกก็ยังขัดขืนฝืนทำต่อไปบางคนพยายามเคลื่อนไหวช้ามากเพื่อให้รู้เท่าทันอาการแต่ฝืนกำลังสติตัวเองเกินไปกลายเป็นสั่งสมความเครียดไว้ในกล้ามเนือ้อและจิตใจทับทวียิ่งๆขึ้นทุกวันทุกวัน หรือบางคนทำตรงกันข้ามทีเดียวคือพยายามเดินเร็วมากเพื่อให้เกิดความตื่นตัวแทนที่จะตื่นตัวกลับกลายเป็นเครื่องร้อนจิตกระด้างฟุ้งซ่านโลภอยากสงกหรือว่าโลภอยากได้มรรคผลยิ่งขึ้นไปอีกเพราะอาการเดินแบบเร่งนั้นจะไปในทิศเดียวกันกับความโลภมุ่งหาเป้าหมายอันรออยู่ไกลๆเบื้องหน้าทางแก้เบื้องต้นคือทาอย่างไร แล้วเครียดให้ทำเป็นตรงกันข้ามคือฉีดทางออกไปบ้างเช่นถ้าเพ่งกลาง อ, อกแล้วเครียดก็ให้หาเครื่องกระทบมาแทนที่เช่นวิ่งไปให้เท้ากระทบทีๆหรืออาจจะมองออกนอกขอบเขตของกายไปเลยเช่นมองฟ้ากว้างบ่อยๆท่อาตาออกไปไกลก็เจอความรู้สึกสบายอย่างต่อเนื่องหรือถ้าเดินช้าแล้วเครียกก็ปรับ อัตราเร็วเพิ่มขึ้นหรือเดินเร็วแล้วเครียดก็ปรับอัตราเร็วให้ลดลงนอกจากนี้ก็ยังอาจที่จะใช้อุบายปรุงจิตให้เข้าที่อีกอย่างหนึง่งคือให้ทอดตาไปข้างหน้าตรงๆยิ่งทอดไกลได้เท่าไรก็ยิ่งดีจับมองอะไรสักอย่างนิ่งๆประมาณสิวินาทีจึงปิดเปลือกตาลงโดยที่สายตา ย, ยัางทอดจับ ตำแหน่งเดิมอย่าลุกปลิดจากนั้นก็เอามือข้างถนัดจับศีรษะไว้ให้ปลายนิ้วกลางจดอยู่กับกลางท้ยทอยขยับนิ้วกลางนั้นเคาะป๊อปป๊ปอปอไม่ช้าไม่เร็วไม่แรงไม่เบาเพื่อให้จิตได้จ่ออยู่ตรงนั้นสบายๆและสำคัญที่สุดคือสายตาที่ทอดตรงไปเบื้องหน้าเหมือนเดิมโฟกัสิ่นอยู่กับตำแหน่งเดิม ระวังอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งก็จะเกิดความรับรู้เป็นกลางกลางขึ้นภายในได้และหากเมื่อยก็เปลี่ยนนิ้วเช่นแทนนิ้วกลางด้วยนิ้วชี้ทําสักพักจนเกิดความสบายและรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อสังเกตออกว่าวางจิตอย่างไรจึงอยู่สบายพอดีก็สามารถนําจิตแบบนั้นมาใช้ภาวนาต่อ หากภาวนาแล้วเครียดอีกก็สลับมาเคาะอีกตามลำดับขั้นดังกล่าวแล้วนี้จะพบว่าจิตอยู่ในดุลดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตั้งมั่นต่อเนื่องกว่าเดิมมากโดยทั่วไปจะสามารถแก้ความเครียดผิดปกติที่เกิดจากภาวนาได้ครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นตึงขมับจุกแน่นหน้าอกหัวหมุนและอื่นๆเนื่องจากการทอดตาตรงทาให้จิตเปิดกว้างไม่มกมุ่น การเอาสติไปจ่ออยู่ที่จุดกระทบท้ายทอยทําให้ไม่เพ่งเลง็งเมื่อได้ดุลกันระหว่างจิตเปิดแบบไม่เพ่งเลง็งก็จึงเป็นผลให้เป็นความตั้งอยู่ตรงกลางกลางการปรับจิตให้เข้าที่นั้นเป็นไปได้อีกหลายแนวทางเช่นการใช้ลูกเล่นกรรมฐานที่แสดงในข้อก่อนน่าจะได้ผลแต่ถ้าหากจะหลัดทำ ความสบายในสมาธิเสียแต่แรกก็จะได้ไม่ต้องตามแก้กันทีหลังเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้แต่ถ้าทั้งกันทั้งแก้แล้วไม่หายก็อยากจะแนะนำให้ลองทำทานรักษาศีลขั้นอุกฤษเพราะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับวิบากกรรมเก่าที่ตามมาให้ผลได้ความเหนื่อยและอาการตกค้างนอนไม่หลับข้อนี้มาเกิดขึ้นกับผู้เริ่มหัดนั่งสมาธิได้ไม่นาน แต่พอมีความนิ่งระดับหนึ่งยังไม่เกิดปิติสุขเป็นรอบการขาดปิติสุขหล่อเลี้ยงสมาธิจิตนั้นก็แน่นอนว่าต้องอาศัยกำลังความตั้งใจคิดจ่ออยู่กับอารมณ์สมาธิดังได้เคยกล่าวแล้วว่าความคิดตั้งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เรียกว่าวิตกนั้นถ้ามีมากเกินความนิ่งแนบกับอารมณ์อย่างที่เรียกว่าวิจาร ก็จะทำให้เกิดสิ่งตกค้างอันเป็นผลมาจากความฝืนได้แก่ความเหนื่อยหรืออาการตาแข็งนอนไม่หลับขอให้เข้าใจว่าเป็นคนละอาการกับความเครียดในข้อปัญหาก่อนหน้าในอุบายกำจัดพยาบาทได้แนะนำวิธีแผ่เมตตาไปและทิ้งท้ายไว้ได้ว่าสามารถช่วยแก้อาการตาแข็งนอนไม่หลับได้ให้ลองแผ่เมตตาทั้งก่อนและหลังทาสมาธิ ก็น่าจะช่วยให้ดีขึ้นแต่หากยังแก้ปัญหาไม่ตกอีกก็ต้องพิจารณาเป็นขณะขณะว่ากล้ามเนื้อตาเราบีบอยู่ไหมกำลังทุ่มกำลังหนักเกินไปไหมเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านแทรกขึ้นมาเราพยายามกดข่มไหมเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นหลายรอบก็จะกลายเป็นการสั่งสมความแข็งกระด้างไปและยังเป็นเหตุให้สงบแบบพร้อมจะระเบิดโทสะเมื่อยามออกจากสมาธิ อีกด้วยเมื่อรู้ตัวว่าขนาดใดกำลังฝืนจับอารมณ์สมาธิแบบผิดๆก็ให้ถอนออกจากอาการนั้นๆเช่นฟุ้งซ่านก็อย่ากดคมปล่อยให้ฟุ้งและสังเกตว่ามีแรงอัดของความฟุ้งตรงไหนก็จะมีความคลายฟุ้งที่ตรงนั้นหรือถ้ากล้ามเนื้อตาปีดมีอาการทุ่มกำลังมากเกินไปเห็นข้างในมืดและแน่นทึบไปหมดก็ท้อตา ตรงสบายๆเหมือนมองขอบฟ้าทะเลด้านไกลเสียหลังจากแก้อาการผิดๆจุดต่อจุดแล้วจะพบว่าการนั่งสมาธิเป็นไปอย่างสบายสามารถรู้อารมณ์สมาธิโดยไม่ต้องตั้งใจเพ่งมากอันนั้นแสดงว่าสัดส่วนของวิตกและวิจารณ์เริ่มเสมอกันต้องอาศัยเวลาฝึกฝนที่จะรู้อารมณ์ด้วยความสบายอีกพัก และก็จะพบว่าความเหนื่อยกับอาการตาแข็งนอนไม่หลับค่อยๆหายไปทุกครั้งที่ทำสมาธิจะมีแต่ความสุขสงบและเหมือนอัดพลังใหม่ไว้ใช้ในกายเป็นไตรลักษ์ต่อไปมี่อกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่ทำสมาธิได้อย่างดีแล้วและพบว่าตัวเองนอนน้อยลงมากเกิดความกังวลว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพหรือตื่นเช้าเกินเหตุและง่วงเอาช่วงบ่าย อย่างนี้ก่อนอื่นขอให้ตัดช่วงกังวลทิ้งถ้าลุกเช้าตรู่ก็ถือว่าเป็นนาทีทองของการเดินจงกรมเพื่อพัฒนาการตื่นรู้ด้วยความเคลื่อนไหวบ้างระหว่างวันประคองจิตไว้อย่าให้หลงไปกับกิเลสอันทำให้หนักหรือทำให้มือถ้าทรงความเบาไว้แย่งต่อนเนื่องก็จะไม่ง่วงเหงาหานอนในภายหลัง